พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องปุพพจริยาของอัครสาวกทั้งสองจบลงแล้วตรัสเพิ่มเติมว่าภิกษุทั้งหลายนี่คือความปรารถนาที่บุตรของเราได้ตั้งไว้แล้วในครั้งนั้นบัดที่เธอทั้งสองได้ตำแหน่งนั้นตามความปรารถนาแล้วภิกษุทั้งหลายเราหาได้ให้ตำแหน่งเพราะเห็นแก่หน้าใหม่พระราดา ความพยายามและความปรารถนาของบุคคลผู้ทำความดีสั่งสมกรรมดีนั้นไม่เคยไร้ผลมันจะคอยจังหวะให้ผลในโอกาสที่ควรอยู่เสมอแต่เนื่องจากว่าคนบางคนขณะพยายามเพื่อทำความดีสั่งสมกรรมดีอยู่นั้นก็ให้โอากาสเหตุการทำชั่วแทรกแซงเข้ามาเป็นระยะระยะเมื่อเป็นดังนี้ผลแห่งกรรมดีก็ถูกขัดขวางเป็นระยะระยะเหมือนกัน ไม่มีโอกาสให้ผลได้เต็มที่หนึ่งความพยายามเพื่อเอาชนะความชั่วในตนนั้นจัดเป็นความพยายามที่สาคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เราต้องพยายามไปตลอดชีวิตชีวิตเดียวไม่เพียงพอได้ซ้าไปต้องพยายามกันชาติแล้วชาติเล่าด้วยวิธีให้จิตค่อยเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปทีละขัน้นดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ว่า มหาสมุทรลึกลงโดยลำดับลาดลงโดยลำดับไม่โกรกฉันเหมือนภูเขาขาดชั้นใดธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลำดับคืออนุปุพพสิกขามีการกระทำตามลำดับคืออนุปุพภกิริ ย, ยามีการปฏิบัติตามลำดับคืออนุปุพปฏิปทาความเจริญที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้านั้น จะช่วยให้เราเอาชนะความคิดและนิสัยที่ชั่วช้าได้ทีละน้อยถ้าเร่งเกินไปอาจทําให้ฟุ้งซ่านเกิดภาวะขัดแย้งมากมายในใจความรู้หรือการให้อาหารแก่ใจก็ทํานองเดียวกับการให้อาหารแก่ร่างกายต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยทีละขั้นอาหารที่ย่อยดีจึงจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้วจึงจะเป็นประโยชน์แก่ดวงจิต ในกาณี้ความอดทนเป็นคุณธรรมที่จําเป็นจริงๆปราศจากความอดทนเสไปแล้วก็ทําไปได้ไม่ตลอดอาจทอดทิ้งเสียกลางคันช่างฝีมือบางพวกเมื่อจะทํางานสําคัญบางชิ้นเขาจะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตทีเดียวเพื่องานนั้นนักปราชญาผู้แสวงหาปัญญาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกันเพื่อจะให้รู้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเพื่อ ให้ชีวิตก้าวหน้าไปสักขั้นหนึ่งในทางปัญญาแม้จะเป็นขั้นเล็กๆก็ตามแล้วไปต่ออชาติหน้าความพยายามของเราจะต้องเป็นไปติดต่อคือวิริยรำภะซื่อสัตย์และเอาจิงผลจะต้องมีมาอย่างแน่นอนแม้จะช้าสักหน่อยก็ตามด้วยเหตุนี้โชคชาตาของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมแห่งการกระทำในอดีตของเขาความสามารถทางจิต สภาพทางกายอุปนิสัยทางศิลธรรมและเหตุการณ์สําคัญในชาติหนึ่งชาติหนึ่งย่อมเป็นผลรวมแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตความต้องการในอดีตของเราเป็นสิ่งกําหนดโอกาสในปัจจุบันให้เราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอ ย, ลอยสภาพปัจจุบันของเราจึงเป็นผลแห่งการกระทําความคิดและความต้องการของเราในอดีต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 การทำและการพูดก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุขจะตามมาเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโครหรือเหมือนเงาตามตัวพระราดาพระธรัชกุศลตรัสไว้อีกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกแล้วย่อมอํานวยผลดีให้สุดจะขนานาอย่างที่มารดาบิดาหรือญาติไม่อาจมอบให้ได้ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิด ย่อมทำให้บุคคลนั้นย่อยยับปนปียิ่งเสียกว่าศัตรูคู่เวรจะพึกทำให้ดังนั้นการบำรุงรักษาใจให้ดีจึงมีคุณแก่บุคคลผู้บำรุงรักษายิ่งกว่าการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกนี้เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์เมื่อพระศาสดาตรัสเต้าบุปกรรมหรือปุเพปนิทานของพระอัครสาวกจบลงแล้ว ท่านทั้งสองได้กราบทูลเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่ต้นจนถึงเรื่องที่ชักชวนท่านสัญชัยมาเฝ้าประตถาคตเจ้าแต่ท่านสัญชัยไม่ยอมมาอ้างว่าไม่สมควรเป็นสิทธิของใครอีกแล้วท่านสัญชัยบอกว่าไปเถิดคนฉลาดฉลา ด, ลาดจงไปสานักของพระสมณโคดมส่วนคนโง่โง่จงอยู่ในสานักของเราเพราะในโลกนี้คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด แม้ข่าพระองค์ทั้งสองจะกลาวเปลี่ยนว่าลัทธิของท่านอาจารย์ไม่มีสาระแล้วไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดท่านอาจารย์สัญชัยก็หาฝั่งใหม่ พรตถ า, าคตเจ้าทรงสดับคําของอักขสาวกแล้วตรัสว่าสันชัยยึดมั่นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุปัจจัยส่วนเธอทั้งสองเห็นตรงตามความเป็นจริงเพราะความที่เธอเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสย้ำอีกว่าชนใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ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 ก็อะไรเล่าคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระอะไรคือสิ่งที่เป็นสาระตามแนวแห่งพระพุทธศาสนาสิ่งใดก็ตามอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเอาใจไว้ไม่อยู่ทำให้จิตเะเลิดเป็นไปเพื่อความหลงงม ง, งายมืดมนเป็นไปเพื่อความติดพันยึดมั่นสิ่งทำนอกนั่นแหละเป็นอสาระ ส่วนสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบีบคัน้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งดวงจิตเป็นไปเพื่อปัญญาเห็นแจ่มแจ้งเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นโดยอุปาทานคือเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นสิ่งนั้นหรือสิ่งทำนองนั้นเรียกว่ามีสาระคนส่วนมากอาศัยความดัริผิดคือมิจฉาสังกปะจึงเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ แล้วหมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่ชมอยู่ในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นมีหน้ำซ้ำยังนึกดูหมินผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ซึ่งสิ่งอันเป็นสาระว่าขวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็เป็นดังนี้เขาจึงไม่มีโอกาสประสบสิ่งอันเป็นสาระได้เพราะได้สมาทานวิ ช, ชาทิฏฐิไปเต็มที่ดูกนท่านผู้สแสวงหาสาระกล่าวโดวยยอ่อ อกุศลธรรมทั้งปวงเป็นอสาระกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสาระสิ่งที่ทําให้จิตใจต่ําเป็นอสาระสิ่งที่ทําให้ใจสูงเป็นสาระคนดีเป็นสาระคนชั่วเป็นอสาระท่านผู้แสวงสัจจะคนส่วนมากอยากเป็นคนดีอยากทําดีและอยากได้ดีแต่ที่ทําต่างกันไปก็เพราะความเห็นในเรื่องความดีไม่ตรงกัน บางคนเห็นผิดไปเห็นชั่วเป็นดีเมื่อทำเข้าจึงชั่วผลออกมาเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนบางคนเห็นดีเป็นชั่วจึงเว้นสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำความดีบางคนเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วมีความเห็นถูกดำริถูกจึงทำถูกพูดถูกผลออกมาเป็นความสุขความเจริญความเย็นใจโดยนิยตดังกล่าวมา บุคคลจึงควรปรับความเห็นความคิดของตนให้ถูกให้ตรงก็จะดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกทางที่ตรงเขาย่อมพบสิ่งที่เป็นสาระเพราะมีความเห็นถูกคิดถูกนั้นเป็นประทีปสองทางส่วนผู้ที่มีความคิดความเห็นไม่ตรงย่อมมีแต่โทษทุกข์เป็นผลดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเพกยรุทั้งหลายเราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วเจริญภัยบุญยิ่งขึ้นเหมือนมิจฉาทิฏฐินี่เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นผิดอกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญภัยบุญยิ่งขึ้นทั้งหลายเพราะไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเจริญภัยบุญยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐินี่เลย ภิกษุทั้งหลาย บ, บุคคลมีความเห็นชอบกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไผ่บูญยิ่งขึ้นอันหนึ่งมิจฉาทิฏฐิทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องตกนรกส่วนสัมมาทิฏฐิทําให้สัตว์ทั้งหลายบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเพื่อความสิบหายวอดวายเพื่อให้ทุกโทษแก่คนมาก ส่วนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดมาเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนมากเพราะทําให้คนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมของสัตว์บุรุษภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลผู้มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุไรเพราะทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลาย เปรียบเสมือนมเมล็ดสะดาก็ดีมเมล็ดบวบขมก็ดีมเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในดินอันชุ่มชื้นรสดินรสน้ำที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อความเผ็ดร้อนเพื่อไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชเลวชันใดภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวิจิกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดี ของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ฉันนั้นเป็นไปรูะผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลที่ไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทรามภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเจตนาความปรารถนาความตั้งใจ สังขารเครื่องปรุงแต่งจิตของบุคคลผู้มีความเห็นชอบย่อมเป็นไปประผลที่น่าปรารถนาน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิของเขาดีภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนพันอ้อยก็ดีพันุ์ข้าวสาลีก็ดีพันุผลจันทร์ก็ดีอันบุคคลบกไว้ในที่ดินที่ชุ่มชื้นรดดิน รถน้ำที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นของที่มีรสหวานน่ายินดีน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชพันธ์ดีกายกรรมวจีกรรมและมนกรรมของบุคคลผู้เป็นสา ม, มาทิติ<ๆ>ก็ฉะนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลอนาปรารถนาเพราะทิฏฐิของเขาดีพระราดาเห็นหรือไม่ว่าความเห็นชอบความลำดีอชอบ มีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลอย่างไรเหมือนประทีปสองทางเหมือนเมล็ดพืชดีออำนวยประโยชน์และความสุขแก่บุคคลหาประมาณมิได้พระอัครส า, าวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะเป็นผู้ที่มีความเห็นชอบและมีความดับริชอบตั้งแต่สมัยเป็นปริพาชกจึงตั้งใจสแสวงหาสาระ และได้มาพบสาระอันสูงยิ่งในศาสนาของพระาศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าใครครบท่านทั้งสองก็ได้รับสาระประโยชน์ก็ท่านทั้งสองได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระาศาสดาเป็นอนเนกประการดังที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายคบกับสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดเพราะท่านทั้งสองมีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรนประชิต สารีบุตรเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้เกิดโมคขลานะเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนําให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพันธโมคขลานะแนะนําให้ตั้งอยู่ในคุณที่สูงกว่านั้น พระสารีบุตรนั้นพระาศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่เลิศปัญญาสามารถแสดงธรรมจักให้กว้างขวางลึกซึ้งและพิสดารเช่นเดียวกับพระพุทธองค์พระสารีบุตรฉลาดในการสั่งสอนเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายมีภิกษุมากขึ้นแล้วถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาทู ล, ลาพระาศาสดาเพื่อเที่ยวจาริกไปในแดนไกลพระพุทธองค์มักจะตรัสถามว่า ได้ลาสารีบุตรแล้วหรือไม่ถ้าภิกษุนั้นกราบทูลว่ายังไม่ได้ลาก็จะทรงแนะนำให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนเพื่อท่านจะได้สั่งสอนภิกษุเหล่านั้นเช่นครั้งหนึ่งพระาศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเทวทหัภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าทูลลาจะไปปัดฉาภูมิชนบทพระองค์ตรัสบอกให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนทรงชมเชยว่า สารีบุตรมีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบันปชิตเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปลาตามรับสั่งพระสารีบุตรถามภิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุถ้าผู้มีปัญญาจะถามปัญหากับท่านทั้งหลายว่าครูของท่านสอนอย่างไรท่านเคยเรียนเคยฟังมาแล้วหรือไม่ว่าจะตอบอย่างไรจึงจะไม่ผิดคําสอนของพระาศาสดาผู้ทรงเป็นครูของพวกเราไม่ให้ขติเยี่ยนได้ ภิกษุเหล่านั้นตอบไม่ได้จึงขอให้ท่านสั่งสอนพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าถ้าเขาถามอย่างนั้นท่านพึงตอบว่าครูของเราสอนให้ละความกำหนัดรละคล่เสียถ้าเขาถามอีกว่าละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งใดพึงตอบว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันรวมเป็นขันหะถ้าเขาถามอีกว่า ครูของท่านเห็นโทษอย่างไรเห็นอนิสงอย่างไรจึงสอนอย่างนั้นพึงตอบว่าเมื่อบุคคลยังมีความกำหนัดรักใคร่ในรูปเป็นต้นนั้นอยู่คลั้นรูปเป็นต้นแปลปรวนเป็นอย่างอื่นก็จะเกิดทุกโศกร่ำไรลาพันเมื่อละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งนั้นเสียได้แม้สิ่งเหล่านั้นจะวิบัติแปลไปทุกก็ไม่เกิดครูของเราเห็นโทษและเห็นอนิสงอย่างนี้อันหนึ่ง ถ้าบุคคลประพฤติอกุศสธรรมแล้วอยู่เป็นสุขไม่ต้องคับแคลนไม่ต้องเดือดร้อนและบุคคลผู้ประพฤติกุศสธรรมจะต้องอยู่เป็นทุกข์ต้องคับแคลนต้องเดือดร้อนและทายพระาศาสดาคงไม่ทรงสั่งสอนให้ละอกุศสธรรมแล้วเจริญกุศสธรรมท่านผู้สแสวงสัจจะเรื่องการโต้อตอบปัญหาเพื่อย่ำยีหรือแก้ปรปับภาวะคือคำจ่วงจาบนั้น เป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับพิกสุทั้งหลายต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจเพื่อว่าให้คนทั้งหลายผู้คล่องใจสงสัยในพระพุทธศาสนาได้เข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อพระศาสดาจะปรินิพพานก็ทรงปราลบเรื่องนี้เหมือนกันว่าบัดนี้มีพุทธสาวกมีพุทธบริษัทผู้สามารถย่ายีปรับประวาติมากพอสมควรแล้วถึงเวลาอันสมควรแล้วที่พระองค์จะนิพพานแปลว่า มีพระษาวกผู้สามารถมากพอที่จะทําการเผยแพร่ซึ่งพระธรรมแทนพระองค์ได้พระองค์ก็สรงพอพระไถยเสมือนกับมารดาหรือบิดาผู้มีบ ร, รดกไว้ให้ลูกเมื่อทราบว่าลูกเติบโตพอที่จะมีปัญญาที่จะรักษาบารดกได้แล้วก็พอใจนอนตาหลับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นเป็นของไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุง เกิดขึ้นตั้งอยู่และแปลปวนไปตามปัจจัยใครจะเหนี่ยวรังไว้ไม่ได้ถ้าบูดายึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันรวมเป็นขันห้าว่าเป็นของตนผู้นั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะความแปลปวนไปแห่งขันทั้งห้านั้นท่านจึงสอนให้ละความกำหนดละคใคร่และความยึดมั่นในขันห้านั้นเสียเพื่อจะได้ไม่ต้องร้อนใจเมื่อแปลปวนไปอนหนึ่ง ขันหานี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นหลักสูตรเพื่อปริญญาเป็นปริญญาญาธรรมคือสิ่งที่ควรกําหนดรู้ตามความเป็นจริงเพื่อไม่หลงไม่ติดไม่ยึดเมื่อกําหนดรู้ตามความเป็นจริงไม่หลงไม่ติดไม่ยึดแล้วก็จะถึงความสินมมส้นราคะโทสะและโมหะความสิ้นราคะโทสะและโมหะนั่นแลคือปริญญาในพระาศาสนาของพระาศาสดา อีกครั้งหนึ่งพระรูปหนึ่งชื่อว่ายามกะกล่าวว่าพระอรหันต์ตายแล้วดับศูนภิกษุทั้งหลายท้วงติงว่าเห็นอย่างนั้นผิดพระยามกะไม่เชื่อยังคงถือทิฏฐิอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายจึงได้นิมนต์พระสารีบุตรไปช่วยสอนพระยามกะให้คลายความเห็นผิดพระสารีบุตรถามพระยามกะว่ายามกะท่านเห็นว่า รูปเบทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นพระขีณาสพคือพระอาหารหันต์หรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญท่านเห็นว่าพระขีณาสพมีในขันห้าหรือพระขีณาสพอื่นจากขันห้าหรือพระขีณาสพเป็นขันห้าหรือพระขีณาสพไม่มีในขันห้าหรือพระยะมะกะปฏิเสธทุกคาถามว่า ไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญพระสารีบุตรจึงว่าเมื่อเป็นดังนี้ควรหรือที่ยามกะท่านจะพูดยืนยันว่าพระขีณาศพตายแล้วดับสูนพระยมกะกลาเปลี่ยนท่านว่าเมื่อก่อ น, นี้มีความเห็นผิดแต่ว่าบัดนี้ได้ฟังท่านสารีบุตรแล้วละความเห็นผิดเสียได้และได้บรรลุธรรมพิเศษด้วย คราวนี้ธรรมบีผู้ถามท่านว่าพระขีนาสบตายแล้วเป็นอะไรท่านจะตอบอย่างไรพระสารีบุตรถามพระยะมกกะข้าพเจ้าจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงดับไปแล้วดีแล้วยะมกกะเราจะประมาให้ท่านได้ฟังบุคคลผู้หนึ่งมั่งมีรักษาตัวแข็งแรงบุรุษผู้หนึ่งคิดจะฆ่าเขา เห็นว่าถ้าหากว่าจะฆ่าโดยเปิดเผยก็เห็นจะยากเพราะมีอารักขาแข็งแรงควรจะรอบฆ่าโดย อ, อุบายจึงปลอมตนเข้าไปเป็นคนรับใช้ของเจ้าของเรือนนั้นมันปลนนิบัติจนเข้าไห้วางใจเมื่อเผลอก็ฆ่าเสียด้วยสตราย ม, มะกะท่านเห็นอย่างไรเจ้าของเรือนนั้นเมื่อบุรุษผู้ปองร้างชีวิตตนมาขออยู่รับใช้ก็ดีใช้อยู่ก็ดี เวลาเขาฆ่าตัวก็ดีไม่รู้เลยว่าผู้นี้เป็นคนฆ่าเราอย่างนั้นมิใช่หรืออย่างนั้นและท่านผู้เจริญปุถุชนผู้ไม่ได้สะดับธรรมก็อย่างนั้นเขาเห็นขันห่าว่าเป็นของตนบ้างเห็นตนมีขันห้าบ้างไม่รู้ว่าขันหานั้นอันที่แท้แล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมีปัจจัยปรุงแต่งดุดผู้ฆ่า ปุถุชนนั้นยึดมั่นถือมั่นในขันห้าขันห้าที่เขายึดมั่นไว้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อทุกขตลอดกาลนานส่วนสาวกของพระอริยะได้สดับธรรมแล้วไม่ยึดมั่นในขันห้าข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และเพื่อสุขตลอดกาลนานดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจ์ความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมกับสาวกของพระอริยะ พูดได้สดับธรรมแม้จะยังเป็นปุตุชนก็ตามก็คือปุตุชนผู้ไม่ได้สัดับธรรมเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในโลกยศธรรมต่างๆอาทิว่าทรัพย์ของเราบุตรภัญญาของเราสามีของเราเพื่อนของเรานั่นนี่ของเราไม่รู้โทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นของตนแปลป่วนไปเพราะความไม่เที่ยง ไม่อาจเหนี่ยวรั้งไว้ได้ก็เกิดความทุกโธมนัตร่ำไรลำพันตรอมใจหมหุนไหม้แม้กระนั้นก็ยังไม่รู้ว่านั่นเป็นเพราะโทษของความยึดมั่นถือมั่นแต่กลับเห็นว่าเป็นเพราะความพลัดพรากบ้างเพราะผู้อื่นมาทําให้บ้างส่วนสาวกของพระอริยะผู้สดับธรรมศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมย่อมเป็นผู้ที่คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่า สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่ง น, น, นั้นแปลปวนไปเพราะไม่เที่ยงก็รู้ว่าสิ่งนั้นแปลปวนไปตามเหตุปัจจัยท่านไม่ต้องทุกขโทมานะ ร, ร่ำไรลำพันไม่หมุนไหม้ใจท่านอาศัยสิ่งต่างๆอย่างเป็นอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งที่อาศัยจิตใจของท่านจึงปลอดโปร่งชื่นช่ำอยู่ด้รำมีสติปัญญาว่องไว รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตนและเป็นที่พึงทางใจแก่คนทั้งหลายผู้รู้จักเกี่ยวข้องนี่คืออานิสงส์ของการเรียนรู้ธรรมสดับธรรมประพฤติ ร, รมแม้จะได้รับการยกย่องจากพระาศาสดาและเพื่อนปรมจารีในาศาสนามากถึงป่านนั้นพระสารีบุตรก็ยังประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างยิ่งดังเรื่องต่อไปนี้ คราวหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรประสงค์จจาริกไปในชนบทเพื่อประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทูลลาพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วออกไปด้วยบริวารของตนและมีภิกษุไปส่งท่านกันมากพระสารีบุตรเถระได้ทักทายปรสาสัยกับภิกษุทั้งหลายผู้มีน้ำใจไปส่ง ตามสมควรและให้เหมาะสมกับฐานารูรูปของท่านานั้นแล้วบอกให้กลับภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าจะเป็นการดีหาน้อยไหมถ้าพระเถระจะทักทายปลาัยกับเราด้วยแล้วบอกให้กลับแต่เนื่องจากว่ามีภิกษุมากด้วยกันพระเถระจึงไม่อาจทักทายปลาัยให้ทั่วถึงได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ภิกษุนั้นเกิดความไม่พอใจในพระเถระว่ามิได้ยกย่องตนเหมือนภิกษุทั้งหลายอื่นบังเอินชายสังคาติของพระสารีบุตรไปกระทบกับภิกษุนั้นเขาหน่อยหนึ่งขณะท่านเดินผ่านภิกษุนั้นเห็นได้ช่องที่จะกล่าวหาจึงรีบเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระเจ้าข่าพระสารีบุตรทนงตนว่าเป็นพระอัครสาวก เมื่อจะจากไปแกล้งเอาชายสังคาติกระทบฆ่าพระองค์แล้วไม่ได้ขอโทษแม้แต่น้อยพระาศาสดารับสั่งให้พระลูปหนึ่งไปตามพระสารีบุตรกลับมาขณะนั้นเองพระมหาโมคคลานะและพระอนนุ์ได้ทราบเรื่องนั้นคิดว่าพระบรมาศาสดาจะไม่ทรงทราบความจริงในเรื่องนี้ก็หาไม่ได้แต่รับสั่งให้พระสารีบุตรพี่ชายของเรากลับเข้าไปเฝ้า คงจะทรงประสงค์ให้บรรลือีหนาถคือกล่าววาจาอาถารประทับใจท่ามกลางพุทธบริษัทเราควรให้พุทธบริษัทประชุมกันดังนี้แล้วเที่ยวประกาศให้ภิกษุทั้งหลายในเชตวนารามประชุมกันเพื่อฟังการบรรลือศีหนาถของพระธรรมเเสนาบดีณนะเบื้องพระพักแห่งพระาศาสดาภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมกันแล้ว เมื่อพระสารีบุตรเข้าเฝ้าแล้วพระศาสดาตรัสว่าเพื่อนพรมจารีรูปหนึ่งกล่าวหาเธอว่ากระทบเขาได้ชายสังคาติแล้วไม่ขอโทษหลีกไปสู่ที่จาริกรสารีบุตรเธอจะว่าอย่างไรนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพระสารีบุตรจึงกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลก พึงเป็นไปนได้ที่ภิกษุผู้ไม่ได้อบรมกายคตาสติภาวนากระทบเพื่อนโภมจารีรูปใดรูปหนึ่งแล้วไม่ขอโทษเหลกไปสู่ที่จริกพระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างขูดบ้างหมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำเลือดบ้างน้ำหนองบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ได้เกียดชังสิ่งนั้น